ทางทำต่ อ, อให้เป็นส่วนประกอ บ, ก, อบกับการศึกษาปฏิบัติโ <c oughs> ดยจากแผนที่ <c oughs> ในการเดินทางระยะทางที่เราเดินมันยาว <c oughs> ยาวไปไกลก็เดินทางไกลต้องโห <c oughs> oh, สมควร โอลาท่านว่าเที่ยวทางเวิร์กเหงหื่อไหลมัชฉะคำมัชจิมวดแต่พวกบอกว่ามัชฉะสาคำทาง่าไปลงในสุขในทุกจะไปลงในอารมณ์สติเป็นเครื่องมงินการเดินทาง ถ้าไม่มีสติก็ไม่ไปจะ ก, ก้าวิ่งที่พุนไปเป็นลักษณะการเดินตามบริยมกักคือมีสติรู้สึกรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติ ยังมีภบมีชาติเอียน่ายแต่เกิดเป็นวัตฏะสงสารหลงแล้วหลงอีกโกดแล้วกดอี ก, ออกทุกแล้วทุกอีกสองเก่าๆยังเอามาจังไม่ได้ผ่านน้ำเน่าไม่เคยผ่านไ ป, ไปกักขังอยู่กรมหลง ความโกรธความโลภความทุกความรากความชังเหมือนกับสาเงินน้ามเน่าไม่ไหลผ่านการมีสติเหมือกนกับพวกน้ามเน่า <c oughs> ไม่เป็นน้าที่ดีแต่รู้ทีใดก็ดีไปเรื่อยๆถ้าหลงก็เน่าอีก วิธีที่จะให้หลงก็คือวิชากรรมฐานนี่ขยานรู้กรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งเมื่อมีที่ตั้งมีการกระทำมันก็ตั้งต้นได้ถ้าไม่มีที่ตั้งไม่มีการกระทำก็ไม่ตั้งต้นอะไร มีเบื้องต้นมีท่ามกลางมีที่สุดอย่ายวประมาทแล้วก็มี จ, จริงทำได้จริงเรามีความพร้อมมีกายมีใจมีรูปมีนามละความชั่วได้ทำความดีได้ตามกิจให้บริสุทธิ์ได้ ก็มีโูกมีนามมีกายมีใจมีโลกตู้โลกนามโลกมีรูปมีนามมีอายตนะตาหูจมูกดีนกายใจมีโูกมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสมีอารมณ์เรียกว่าโลกรสของโลก มันก็มีจัตโลกย่อมติดรดของโลกตาก็เกิดการเห็นเรียกว่าจักคูสัมผัสแลหว่างจัถุกสักคูสัมผัสมันมีไรช่อนอยู่ตรงนั้นถ้าไม่รู้ก็เป็นสมมุติบัญญาินาแทงเข้าไปเป็นความพอใจไม่พอใจ ไปเสร็จแล้วไปทางต่อมถ้ามีสติฝึไกไว้ก็จะใช่เห็นสักว่าเห็นรถของโลกก็ไม่ยิ่งใหญ่ไม่โขขะเรียบๆเพราะเราเคยเดินชำนาญในการเดิน ตอนรลูกเนี่ยมันทำให้เรียบ <c oughs> ได้เห็นลูกเรียบต้องใหโลกกูกโคกขะพอใจไม่พอใจสมติป<ะ>ัญญะความชอบความไม่ชอบอเกิดขึ้นควมรักความจังเกิดขึ้นหรือ ว, ว่าจะขคสัมปชัน หูจมูกดิ้นกายใจก็มีคู่กานะคิวหาก า, ายนมโนโสตะ ข, ขานะคิวหากายมโนโสตคือหูกานะคือจมูกคิวหาคือดิ้นออยก็คือสมผลมโนคือใจ การช้อมผ่าถ้าเราไม่มีสติในการกำกับการใช้ชีวิตนันก็ไปเมอนเฉาอยูต่ตรงนี้ถ้าเรามีสติพาให้เราสะดวกให้ได้ผ่านได้เรียบเรียบ จึงฝึกตนสนตนให้จำนีจจำนานเตรียมไว้ยอมสงบเราฝึกยอมศึกเราลบงั้นเรามีความรู้ถ้ามีความรู้ละเวลาเรามีการงานมีการบ้านเกิดขึ้นเราก็เฉลยได้โดยเพราะชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยตัวเฉลยคือสติ อันหาเกิดกับรูปความนามเกิดเกิดกายเกิดใจจะมี8ป็ดหมื่นสี่อย่างจะรวยได้ทั้งนั้นต่อได้ทั้งนั้นดังที่เราสาธิเพื่อสูตรสวดมนต์ธรรมวัตรเช้าธรรมวัตรเย็น ไม่ใช่หรอว่าแต่ปากมันเป็นจริงเป็นคำพระโอษฐออกจากพระโอษฐ์ของผู้จ้าเป็นโกจรนาศไม่ใช่อ้อนวอนเป็นเสียงโกจรนาศเราคำตรัสของพระเจ้ามาสวดจะให้เหมือนกับ เสียงพูที่เจ้าให้มันได้อย่าไปอ้อนวอนอย่าให้เพี้ยนไปจิตใส่ใจตามคำว่าโกจะหนักไหยมั น, มนบาบรูไม่เที่ยงมันทะว่าเขาวรูไม่เทียเเทเท่ยงมันถึงใจเราเวทนาไม่เที่ยงมันถึงใจเรามันก็ขี้ล่ามัน เห็นอะไรก็ชี้หน้ามันแล้วก็ก๋อยไปเลยจิงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นมาช่ตัวตนจิงใดไม่ช่วยตัวตนไม่ควรยึดมัน่นเถือมั่นว่าตัวว่าตนของเราโกจะนะอย่าว่าแต่ปากให้ได้ไม่ได้นิดัยไปด้วย อย่าให้เพียนโดยเพรา ะ, ะสกอตนาตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เข่นข้าได้เวลาเรามีความทุกข์มีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นดองว่าดูสินี้เรามัน<ด>ปวดเกิดขึ้นไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยง สัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเบธนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนถึงใจของเราเป็นเย่เป็นการเย่ยหย่าถ้าใจนับรูเห็นด้วยเห็นถูกคิดถูกทมถูกหวงเพียรถูกตั้งใจถูก นัน ก, ก็ไปกันได้ถ้า <c oughs> ว่าเฉยๆเป็นวสสาษานกแก้วหนุนทองมาโดยเพราะต้นํำหลับของการสวดนอนเนี่ยผมก็ไปเรียนมานั่นก็เพียนไปบ้างทุกวันเนี่ยไม่เหมือนต้นฉบับเดิมกำนองก็ไม่เหมือนใส่ใจก็อาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนมันโกจน่า จ, จริงๆ อรหังจ ม, มสมบูทภธธพกวาพระผู้มีพระภาคเจ้ามชัอรหัง ม, มาสมบุทธโภพกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เพียนไ้นะไม่ตรงจริงันะไม่โกจรแนทเสียงแบบนี้ไม่โกจราน ต้องเป็นเสียงโกชนาดเหมือนกับอำนาจแตนังให้เราให้ไปช่วยเราเสียงก็ช่วยเราเสียงอาจารย์สอนเสียงพ่อแม่สอนเสียงพุทธเจ้าสอนพรสงทั้งหลาจะเงี่ยงหูฟังเดยเงี่ยหูฟังทันที เราก็เหมือนกันไม่มีอำนาจชลดองขี้ขาดในการใช้ชีวิตของเราดูไม่เที่ยงจักว่าเห็นแล้วก็ยิ่งเรามปกลกรรมาฐานฝึกไว้บ้างมีสติสตเห็นกายได้มาแสดงออกมาอะไรที่มันเกิดตัวตนในกาย ความร้อนเป็นตัว ต, วตวเนเหรอกูร้อนหรอความหนากูหนาหรือความปวดความเือยกูปวดกูเ ม, มือยหรอไม่ใช่สักแต่ว่ากายความเห็นนะมาจากหัวใจลึกๆมาจากความรู้สึกตัวสักแต่ว่ากายสักแต่ว่ากาย ก็เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นขณะที่เราเป่าลูหผองเพียนมันจะตรงเข้าไปไปถนาดสุขสุขว่าสุขทุกข์ขว่าทุกข์ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราของเห็นไม่เป็นขี้หน้ามันถ้าเป็นขี้ไม่ออกต้เห็นเราเปขี้หน้ามันคนละเรื่องถ้าเห็นเนี่ยมันมันเหนือ มันไม่อยู่ในการเป็นออกมางาดูเราหัดไว้มีสติหัดไว้แล้วก็เห็นกับช่้น้ำ น, นี่ไม่เทียมนี่ไม่ใช่ตัวตนจักว่ากายสักว่าเวทนาสักว่าจิตที่มันคิดมันคิดได้สารพัดอย่างวิ่งเวลา ฝึกกรรมฐานมันจะเห็นชัดเกล็แต่ก่อนมักจะเห็นความคิดเพราะมามีสติมันจะเห็นความคิดเพราะมันดูอยู่แล้วเป็นหลักะไรผ่านมาก็จะเห็นงั้นเราเลือนต่อะไรผ่านมาทังหน้าก็จะเห็นหลับก็ไม่เห็นเพราะมีสติต้องเห็นได้เห็นมันคิดเห็นมันทุกข์เมันทุกข์หนาทุกข์แล้ว จะได้รู้มันทำอย่างไรเวลามันเกิดขึ้นทำงานได้ไม่ช่วยช่วยตัวเองม่ก็อาศัยว่าอาศัยคำตัดพุชเจ้าเหมือนกับยู่เฉพาะหน้าเรานี่คือกายไม่เป็นสัจธว่ากายนี่เวทนาสักแต่ว่าเวทนานี่คือกิจไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนหลอกของ นุม อ, <ป> <c oughs> อิไป <c oughs> องนิมิตน้ไว้ก่อนเห็นก็เสียไว้ก่อนนก็มองมองต่งางมุมมองข้ามไปจะไปจนหัดยกตนลเรียก ว, ว่าเดินทางข้ามไป ขนเดินทางก็ต้องมีการข้ามการถูกขะว่ า, าแต่ความโกขะไม่ทำให้เราหยุดยิ่งกระโดดได้ดียิ่งไปได้ไกลไม่หลงไม่หลงไปไกลเหลือเกินถ้าหลงเป็นหลงไม่ข้ามแล้วทุกเป็นทุกไม่ข้ามสุขเป็นสุขไม่ข้ามรักเป็นรักเกียดเป็นเกียดไม่ข้ามย่อมก็เดินกลับมาก็เด็นกลับมา นั่งจับก้องอยู่ที่เกาหลงก็คือกูหลงสุกก็คือกูสุกมีตัวมีตนในความหลงมีตัวมีตนในความสุกมีตัวมีตนในความทุกตัวตนยิ่งมากขึ้นเอาความชอบเอาความไม่ชอบได้ความชอบได้ความไม่ชอบได้ความขี้เกียจได้ความเบื่อหน่ายกระณาที่ทำความเพียรมีได้เิดย้อนหอบกระเป๋ากลับบ้าน โดยเฉพเจ็บเจือเจ็บหมอนเพียงแต่เจอเท่า nah นี้เพรานั่นเราจึงตรงไหนที่มันอ่อนแอเข้มแข็งมันจะพ่ายแพ้กุศลสอนเจอเนี่ยบทเรียนจากชีวิตของเราเนี่ยมันดีที่สุดเลยมันไป็นการสอนหลอยิ่งกว่าคนอื่นสอน ถ้าเรามาสอนเพียงนี่ยก็ เ, เห็นพระเจ้าเหมือนพระเจ้าสอนเราแล้วครับเราเห็นอะไรนะรพระเจ้าอยู่เฉพาะหน้าที่นั่นแลว้วอยู่เฉพาะหน้าเรา <c oughs> ไม่ใช่เราคนเดียวใชว่แล้วเวลาเราปฏิบัตธิธรรมวุญใจอือพระเจ้าก็ลหลงอย่านี้ก็ง่วงโอ้พระเจ้าเห็นตรงนี้ง่วง ผู้เขาลูกแรกโอ้ผู้เจ้าผ่านตรงนี้นี่วานรธรรมหามาหลังคาปฏิกาณาธิธิพระเจ้าก็ผ่านตรงนี้เหมือนกับผู้เจ้าเดินดอกเข็นขี้ฝุ่นอยู่ดังมีล่องลอยอยู่ทุนยังตลกอยู่ให้เราจะมามีโมหนภาพให้เหมือนกับเดินถามพระพุทธบาท จริงๆนะมันก็มีกําลังถ้าสาว ก, กไปทานี้เป็นทางเช่นเดียวกันแท้ๆไปที่เดียวกันแท้ๆเดินใครเดินเราถ้าเราไม่เดินเราก็ไม่ได้ไปหรอกมันก็ช่วยกันมาได้ต้องบอกกนะังไงไปยังไงนะเราจะมาหัดหัดให้มันเห็น ก็ไม่หัดมันไม่เป็นเราเรียนรู้เป็นแบบหนึ่งใครก็รู้รู้หรอทาไม่เป็ น, ปนโดยเพราะเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยไม่ใช่รู้รหัดให้มันเป็ น, ปนอันรู้เป็นวิชาอันเดินก็รู้ได้อันกรรมาฐานมันเห็ น, นมันเห็นแจ้งได้เห็นแจ้งด้วยวิปัสสนา เห็นหลงเป็นหลงกับต่างกันกับไม่หลงของหลงไม่เป็นธรรมคงไม่หลงเป็นธรรมยอมหลงไม่ถูกต้องคงไม่หลงถูกต้องเ น, นี่ยเห็นแช่งอย่างเนี้ยมันจะไม่ยอมไม่ยอมหลงไม่ยอมทุกข์ไม่ยอมโกรธนะนันก็ไปแล้วประเดไปเรื่อยไปเรื่อยเลยง่ายแล้ววะคนเคยข้ามแล้วก็ง่ายขึ้น มันจะเป็นศิละปะนั้นเราชำนานเรื่องใดเป็นศิละปละเรื่องนั้นชงงามชำนานในความไม่หลงชำนาญในความไม่ทุกข์ชำนาทนนี่ความไม่โกรธปล่อยเรื่อยแล้วบิดเริต้นได้ก็ไปได้เริ่มต้นไม่ได้ก็ไปได้ยากจนถึงไม่แก่ไม่เก็ บ, ไ ม, กบไม่ตายะ ถ้ายังไม่ข้ามตรงนี้ถ้ายังไม่เปลี่ยนหลงเป็นรูเราไปไม่ถึงแบบเหนือยังไม่เหนือยังไม่จบยังมีความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแน่นอนที่สุดตัวทางไกลความหลงก็เป็นพวกเป็นชาติอยู่ตัเวียนว่ายตายเกิดหลงเรื่องเกา่าหลงแล้วหลงอีกทุกเรื่องเกา่าทุกแล้วทุกอีก ก, ก, ก, กวเว ด, ดเรื่องเก่าโกดเลื่องก่าอีกเหยวเวียดพัดตะดแล้นกนติดอะไรที่เป็นภายนอกติดนอกติดปุรีติดชีชิตเสรติดทั้งหลายเดี๋วมันหิวหิวแล้าก็จะเดิมก็จะเดิมก็จะเดิม เราเดิมแล้วพอได้เดอมแล้วกูจะเลิกกูจะเลิกกูจะเลิกตัวมันหิวอยู่กูจะเดิมกูจะเดิมกูจะเดิมพอเดิมแล้วกูจะเลิกกูจะเลิกนี่วัดตักแลมันจะตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่คิดรู้แบบนั้นองค์มรณะสภาพให้ไหวหรอกพมอ่ะน้องพ่อ ผมอยู่ในภาพแบบนี้ไม่ได้ผมจะเลิกผมจะเลิกยอมอยู่ในภาพแบบนี้ไม่ได้ผมจะเลิกผมจะเลิกถูกท้องคำพูดของเขาแต่การกระทามันสำคัญกว่าไม่ต้องไปพูดมันต้องไปคิดแบบนั้นทาลงไปดูสิเวลามันหิวหรอกูจะไม่ดื่มกูจะไม่ดื่มลง า, าตอนนั้นนะ่ะ เลยราไม่เหี่ยวกูจะดืม่มกูจะดื่มแล้วกูจะสูบกูจะสูบกูจะสูบเ้อมันเหิวขึก็มากูจะไม่สูบมันบุตริกูจะไม่ดื่มมันเอามาดูสซเปลี่ยนตรงนีน้นี่คือกรรมการไม่ดืม่มการไม่สูบหรือว่าตัดกรรมไม่ใช้่อมควันคิดแต่ว่าไม่ทํากรรมเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่มีกิเลสไม่มีวิบาก เพราะสุนจึงติดเพราะติดมันจึงอยากเพราะอยากปันยังสุบเพราะสุบปันยังติดเพราะติดปันจึงอยากอะไรก็เป็นอย่างเนี้ยติดในความสุกติดในความสุขติดในความโกรธความโลภความหลงมันติดเหมือนกันนะความหลงก็ติดง่ายนะไม่หลงหาเรื่องให้มันหลงความโกรธก็หาเรื่องให้โกรธไม่ออกหน้าออกตาความโกรธความโลภความหลงของมรักความังออกหน้า พอตาเห็นปับก็ออกไปแล้วสมมติบัญญัติพอใจไม่พอใจ <c oughs> โอ้ที่เห็นเสียงก็ไปแล้วจำพวกได้กิ่นเล่นรถไปแล้วสวัโลกติรดรถของโลกบปแล้วจึงมีสติสอนของพอใจความไม่พอใจในโูกออกเสียได้ มีสติเห็นกายชัวากายนีสติอัตาปิสมชชโน ส, สติมาทวิณห์โลกเวิชาโทมัสังถอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกเสียดย้มีสติแล้วแล้วอยู่ถอนออกมาอยากเข้าไปอยู่อยากเข้าไปชมมาดูโลูกแบบไม่ดู เพื่อนฝั่งดูมันจะต่างกันไหมระหว่างอยู่ในห้วงน้ําเพื่อนฝั่งดูมีที่น้ํามีที่บกมีเถื่อยน้ํำเถื่อนบกจะได้สองผลสองผลกับบกสองผกับน้ํามันจะต่างกันนั้นปลากับเต่าเป็นเพื่อนกัน เต่าเป็นจระเข้เทือนบกสระเข้ น, น้ําส่วนปลาเป็นสัตตขเทือนน้าอย่างเดียวไม่มีไม่มีบกวันหนึ่งเต่าขึ้นไปหากินบนบกปลาอยู่ในน้ําตามหาทั่วไปไม่เจอหลายวันตอดีเต่าลงไปในน้ําปลามาเจอเข้าถา้ำเพื่อนเป็นไห้มา ไอ้เต่าก็บอกว่าเราไปบนบกบนบกมันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่บนบกมีหรือเต่าบอก ว, ว่ามีมันแหวกว่ายไปได้หรือมีมีอากาศหายใจได้มีมีอาหารการกินเรื่องมีเต่าจะที่บา้ายังไงปลาลูกปลาก็ไม่เข้าใจรอ้ปลาไม่เคยขึ้นฝั่งขึ้นบก อธิบายแบบไหนก็ไม่ได้คงอิม่มอธิบายคนที่หิวฝังได้ไหมรู้ไหมอธิบายความเค็มให้คนที่ไม่เคยกินเค็มอันที่บายไม่ได้เค็มเป็นยังไงเผ็ดเป็นยังไงอิ่มเป็นยังไงไม่มีคําอธิบายเป็น มหนูสัมผัสด้วยชีวิตทีใจของเราคำว่าอิ่มคือยังไงมันก็ไม่มีคำเทวาอิ่มก็คืออิม่มกินข้าวอิ่มแล้วต้องถามใครหรือเปล่าฉันอิ่มหรือย่างไม่มีคำถามมีแต่คำตอบของเราเปิดปากอธิบายไม่ได้ พ็ไม่แก่ก็ไม่เจ็บก็ไม um> ่ตายเป็นยังไงมันอธิบายไม่ได้มันเป็นมันเป็นไม่ใช่มันรู้มันเป็นเวลามันแก่ก็เห็นมันแก่เวลามันเจ็บเห็นมันเจ็บเวลามันตายไม่เห็นมันตายไม่เป็นผู้แก่ไม่เป็นผู้เจ็บไม่เป็นผู้ตายจะอยู่ยังไงทํางไงห่ะอธิบายไม่ได้ ตัวเมื่อคนนั้นเขาได้สัมผั์ดูแล้วจึงจะโมปัจจตังปัจจตังเวชิฏโภยโยหิติเป็นของโลกได้เฉพาะตนโนงโงเนี่ยช่วยกันมาได้เจ้งมีวิชากรรมฐานคุณเจ้าวางไว้ <c oughs> วางไว้สติปัฏฐานทีสติปทานสูตร วิจูทังหลอยตวนจะบริผ่านยาประมาทสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทัางหลายจงย้อนค่อยมาถให้ถึงพร้อมเถิดไม่อาจสั่งไปเรื่องนี้สั่งไปจนววหลสุดท้ายพสั่งอย่างนี้พระเจ้ากวานิพพานไปไม่มีอีกแล้ว แต่เรามาทรมัยังเป็นประโยชน์ถ้าเราจะปล่อยทิ้ไงไปชีวิตเราก็เพื่อการให้โดยตรงเราจึงใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มีวิธีใดที่จะเป็นความรักกันยิ่งใหญ่ต่อเพื่อมนุษย์ไม่ได้ทามนุษย์อันนี้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบนี้ประเทศไทย พระวาลานในมังไทยพระ ส, สงฆ์ทยคำสอนพระเจ้าสอนอย่างนี้น่ะยิ่ยงหูฟังใส่ใจลองดูเอาไปทำลองดูโอ้ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่กรหลาทุกคนแล้วถ้าเรามีกายมีใจยกมือขึ้นรู้สึกก็ใช่ได้โหนโพธิต้นก้า้น้อย ลลงปล่อยที่กายที่ใจของเราให้มันรู้ต่อไปเกิดออกผลเป็นมรรคเป็นผลเนื้อกัรเกิดเจ็บต่อยแท่เกิดมาเพื่อการนี้ชีวิตของเราไม่ใช่เกิดมาแล้วเจ็บเจ็บต่อยได้เป็นสุขเป็นทุกข์หมกมุ่นอย า, ย 1, างกิเลสพราณาานร้อยแปดน้องตากพูดอยู่เสมอว่า กรมหลงกรมโกรธกรมโรคกรมทุก ม, มันล่าสมัยมันล่าสมัยแล้วอย่าดื้อย่าดื้อหลงอย่าดื้อโกรธอย่าดื้อทุกอยู่ห้ยกันไอ้คนไม่ควรไปอวดไปอ้างกันอะไรบียดเบียนกันมาจึง ล่าสมัยเขาไปกันแล้วปัดคุ้นลองโหลลุกขึ้นมาสะบัดผ้ารองโหลดในเขาที่มันหลงโรคแห่งความไม่หลงก็มีในเขาที่มันทุกข์โรคแห่งความไม่ทุกข์ก็มีในเขาที่มันโกรธโรคแห่งความไม่โกรธก็มีมีมนุษย์นี่แหละทำได้อันอื่นทำไมาได้คือกายคือใจมี สติมีสมาธิมีปัญญามีควรู้สึกอะไรได้หรือว่าวิญญาณทธาตไม่รู้อะไรได้อย่าจนเรื่องใดทั้งสิ้นในการในใจเราเนี่ยให้เป็นบทเรียนของเราพัฒนามันเรว่าวิชากรรมฐาน <c oughs> ไม่เสื่อมไม่เสียมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้แน่นอนในความหลงก็ ม, มีความไม่หลง ในความทุกข์มีความไม่ทุกขในความโกรธมีความไม่โกรธในความแก่มีความไม่แก่ในความเจ็บมีความไม่เจ็บในความตายมีความไม่ตายให้มันจบซะพ่อแม่อจะทําไม่ได้ลูกชายของคนแม่นี่แหะลูกสาวของคุณพ่อคนแม่จะทําแทนพ่อแม่ให้สงบท่อไม่เลี้ยงเรามาเอาชีวิตไปทําอะไรปเสือกต้องหน่อยจึงม้วนเพืขัดกัน แล้ไม่ใช่มานั่งอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็อยู่กับเรานั่งอยู่บนรถเมย์ขวดอยู่ถนนทําอะไรก็เป็นความรูกของเราใช่ได้สากลทำสากลมีสิทธิมันหลงเรามีสิทธิไม่หลงมันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์ใช่สติของเรา โดยเผชิญเลยพวกเราขอเป็นเพื่อนแม่มิตรทุกท่านทุกชีวิตในโลกนี่เหมือนกันหมดไม่ต่างกันถ้าเห็นหน้าคือไหนก็เลยบ่าเพื่อนเกิดเจ็เจ็บตายด้วยกันเสมอกันสังขารเสมอกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันไม่มีใครยิ่งใหญ่ ในเรื่องนี้กรรมยิ่งใหญ่ต่างหากกรรมจะลิขิตชีวิตของเราไปเองถ้าได้เพียงรูปหลงนามมีอะไรสมบัติของโลกไม่ใช่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดกคือการเหนื่อ ก, กันเกิดเจ็บเจ็บตาย อ๋อสมควรใจเวลาอาพาพ้อมกัน